ตอเนื่ไปก็ขอบรรดาถ้าพุทธบริษัทหลายฟังคําแนะนําสักสิบนาทีเส็เศษการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานในตอนกลางวันนี้เป็นการปฏิบัติในหลักสูตรข้อปัญญาหลักสูตรข้อปัญญาย่อมปฏิบัติแตกต่างจากสุขาภิสกคือเวลากลางคืนเพราะแต่ละหมวดการปฏิบัติไม่สมอเหมือนกัน มีผลต่างกันแต่ความมุ่งหมายจุดหมายปลายทางก็ไปพะดีผ่านเหมือนกันฉะรับการปฏิบัติในหมดอคติญญนี้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ให้เพื่อเปล่องความสงสัยตามความเป็นจริงสิ่งที่มีจริงอยู่ี่สงสัยว่าจะจริงหรือไม่จริงอย่างที่ได้กล่าวว่าตายแล้วมีสภาพใหม่ศูน์ตายแล้ว ต, ต้องเกิด คืว่าใจเกิดเป็นสัตวนรกก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นเศษุจจารกายก็ดีเป็นสติฉันก็ดีเป็นคนเป็นโยดาและเป็นองก็ตามอย่างนี้ทื่อเกิดไม่ใช่ว่าสูญโยไปเลยอย่างนี้บรรดาจะพูดบริษัตยปฏิบัติได้สามารถพิสูจน์ได้แต่ต่อไปที่พระเจ้าทรงตรัสว่าคุณมีคอารมณ์ชั่วก่อนตายไปอบายภูมิมีนรกเป็นต้น มีอารมณดีก่อนตายไปสุคติคือมีสวรรค์เป็นต้นอย่างนี้เป็นความจริงไหมเราจะสามารถพิสูจน์ได้และก็บรรดาย้ายของท่านหลายเพื่อนขท่านหลายก็ดีใครก็ตาม <c oughs> ที่ท่านรู้จักเข้าตายแล้วเวลานี้ไปอยู่ที่ไหนมีความสุขหรือความทุกข์ไปในการใดก็อาศัยกฎของกรรมอะไรเป็นเหตุอย่างนี้นท่านสาทานสามารถติดตามรู้ได้ และท่านสา ม, มารถจะรู้ตัวท่านเองและคนอื่นและสัตว์อื่นว่าก่อนเกิดมาจากไหนถ้าตายจากความเป็นคนหรือสัตว์ตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนอย่างนี้ก็รู้ได้โดยการต่อไปท่านทั้งหลายสา ม, มารถลึกชาติได้โดยไม่จำกัดว่าเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างและใครไปเกิดเป็นอะไรที่ไหนสา ม, มารถรู้ได้ <c oughs> สา ม, มารถรู้จิตใจเขาตนเองและจิตใจของคนอื่น ว่ามีกิเลสมากมีกิเลสน้อยมีความสุขมีความทุกข์มีความรู้สึกมีความคิดอ่านเป็นประการใดอย่างนี้เราสามารถรู้จิตใจของเขาได้และพวกเราก็รู้ได้เราสามารถรู้อดีตอนาคตของเราและพวกคนอื่นได้ตามความต้องการว่าคนนี้นอดีตเป็นยังไงอนาคตจะเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไง เรารู้เหตุการณ์ปัจจุบันว่าอะไรจะเกิดกับเรากับเพื่อนของเราแลือใครบ้างหรือสถานที่เรารู้ได้คนที่มีความสุขความทุกข์หรือเราที่มีความสุขความทุกข์ในปัจจุบันในชาติก่อนเราทำกรรมอะไรไว้อย่างนี้เรารู้ได้กรอมวลความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการจะรู้จะรู้ได้โดยกฎกาวัญญาที่จะปฏิบัติเวลานี้ แต่นั้นใบวีบอกคลบางคนบอกว่าวิชานี้เป็นวิชาที่เอานําไสยศาสตร์เข้ามาช่วยความจริงไม่ใช่ถ้านำไสยศาสตร์เข้ามาช่วยทุกคนก็มีความรู้สึกเสมอๆกันหมดแต่นี่ต้องเป็นความสามารถของท่านเองท่านที่เทโพดอย่างนั้นท่านไม่เข้าใจตามความปจริงเราก็ไม่ควรจะไปตําหนิกเพราะตามธรรมดาคนจะงโง่และฉลาดไม่เสมอกัน มีความรู้ไม่เท่าเทียมกันนี่เป็นของธรรมดาคนไหนมีความรู้สึกตนปฏิบัติอย่างไงก็ไม่มีความรู้สึกว่าคนอื่นต้องทำอย่างนั้นโดคนที่ไร้ความสามารถเจอตำาหนิคนที่มีความสามารถเกินกว่าว่าทำอย่างน้นผิดอย่างนี้ผิดอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกไม่ควรจะโกรธไม่ควรจะติเตี่ยงกันว่าเขาทำผิดแล้วพูดผิด แมวปฏิบัติที่จะให้ได้ดีบรรดาเป็นพุทบริษัทอันดับแรกขอทุกคนน้อมจิตในการให้ทานเสียก่อนต้องมีความไม่ตาปราณีเมตต์คุณาความสงสารมีความรักความสงสารในบุคคลอนสัตว์ทั่วไปคิดว่าเราจะไม่เป็นศัตรู ก, กับใครตลอดชีวิตเราจะเกื้อกูลกับบุคคลอนสัตว์เท่าที่เราจะเพล่งได้ทั่วโลกนีมีจิตใจเสมอกัน จิตใจเธอคิดอย่างนี้ก็มีความเยือกเย็นอย่างนี้ก็เริ่มต้นมีสมาธิไปจาคานุสติกรมฐานหลังจากนั้นสำหรับสินสินที่มีความสำคัญบรรดาถึงพุทธบริษัทที่นี่ต่อรักษาสินบริสุทธิ์กลับไปบ้านก็ต้องทรงสินในบริสุทธิ์ไปบ้านเฉพาะสินห้าใช้ได้ไม่ต้องสิน 8. แปดหือใครจะรักษาที 8, แ่แปตลอดกาลก็ยิ่งดี สินห้าคุมตัวไว้ดีถ้าทรงสิ่บริสุทธิ์จิดใจแยกเกินตัถนายยอยกสงเคราะห์ อ, อย่างนี้สมาธิไม่เสื่อมความเป็นทิพไม่เสื่อมและเบร์การต่อไปก็คือมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและพระอริยสงฆ์ต่อไปก็ใช้ปัญญาปัญญาเพียรนาตามความเป็นจริงและได้วิปัสนาญาณว่ากายเกิดเป็นมนุษย์สโลในมันทุกหิวก็ทุกข์ ความกระหายก็ทุกข์ปจจาระปัสวะก็ทุกการป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกความแก่เข้ามาก็ทุกความป่าเถรหนาไม่สมหวังก็ทุกการพัดพ้าเจรของรักของชอบใจก็ทุกความตายก็ทุกการได้กอบกิจการงานต่างๆก็ทุกข์วงความเวลาเกิดในแดนทุกข์ก็หายความสุขไม่ได้ถ้าคิดถึงความเป็นเทวดาถพรม เทวดาและผมนี่มีความสุขจริงแต่สุขไม่นานเมื่อหมดผลวา ส, สนาบารมีก็ต้องลงมาใหม่ไม่มีความสุขจริงดินแดนที่มีความสุขจุดเดียวคือนิพพานถ้าใครไปถึงนิพพานได้แล้วไปอยู่ที่นั่นไม่ต้องเคลื่อนไหวไปไหนอีกไม่ตายไม่แก่ไม่มีรมเป็นทุกข์ไม่มีรมหนักใจมีแต่ความสุขอย่างเดียว เป็นจุดท enfin ี่พระเจ้าต้องการให้บรรดาท่านพุทธบริษัทไปที่นั้นวิธีที่ราจะไปนิพพานได้คือว่าคิดว่ามนุษยสโลกเป็นทุกข์เราไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษสโลอีกเทวดาหรือผมมีความสุขเพียรติสุขเวลานานเราเปนการเราต้องการนิพพานจดเดียวจีตคิดจะให้ทายารบพระไตรศนาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอภิเษกสงฆ์มีสินห้าบริสุทธิ์จิตด้งใจไว้โดยเฉพาะ ว่าท่าางกายนี้พังมลายเข้าปานิพันธ์เหมือนั้นตัดชิ้นใจอย่างนี้ก่อนบรรดาทรรมพุทธวิษัทวันนี้สมาธิของท่านจะดีความเป็นทิพย์จะแจ่มใสอคติญาจะได้ในความท่องตัวสําหรับการภาว น, นาบรรดาทรรมพุทธริษัทให้ใช้คํภาวนาวันมะพาธะคือเวลาให้ใจเข้านึกวาา่านมะเวลาให้ใจออกจะว่พาพาธา สำหรับความเวลาที่บรรดาจำพุทธบริษัทภาวนาอยู่เวลานั้นจงอย่าอยากรู้อยากเหนอะไรเป็นขาดจะลืมว่าใช้คำภาวนาวันมะพาธาเวลาให้ใจเข้านึกวันมะเวลาให้ใจออกเนึาพาธาในเวลาที่ภาวนานั้นจงอย่ารู้อยากเห็นอะไรเป็นขาด ถ้าอยากรู้อยากเข็นตอนนั้นจิจะหุ่สั้นจะไม่มีผลในการปฏิบัติในวันนี้ขณะภาวนาอยู่รู้ลมหายใจเขาออกอยู่ให้ตั้งใจรู้ลมหายใจจริงๆย้ายเคลื่อนและรู้คำภาวนาตามจริงๆใ้ญ่เคลื่อนถ้าบังเอิญเคลื่อนไปบ้างมารู้สึกตัวก็เริ่มจับลมหายใจเขาออกใหม่และก็ภาวนาใหม่ สำหรับลมหายใจขบรนดาแต่พุทธบริษัทธ์ลอยไปตามปกติอย่าบังคับลมหายใจถ้าบังคับลมหายใจให้หนักให้บเบาเพผู้รู้อันนี้ไม่เป็นสมาธิจิตโฟกัสร้างใช้ไม่ได้การปฏิบัติขบรนดาท่านพุทธบริษัทต้องได้ทิพย์จุคุยานก่อนคําว่าทิพย์จุคุยานนี่ไม่ได้แปลว่าลูกตาเป็นทิพย์ เพราะลูกตายเป็นทิพย์ต้องเป็นเทวดาหรือผอมจึงจะมีลูกตาเป็นทิพย์เพรากายท่านเป็นทิพย์เราเป็นมนุษย์กายเป็นเนื้อตาเป็นเนื้อเป็นทิพย์ไม่ได้จะมีได้แต่เพียงทิพย์ยากุยานคำว่าทิพยญญานี้แปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์คือใจเป็นทิพย์เมื่อมีความรู้สึกทางใจก็เหมือนกับตายเห็น ของในหีบในห่อที่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่ความรู้สึกบอกว่ามีอะไรอยู่ถ้าเปิดขึ้นมาจะมีของอย่างนั้นจริงๆอย่างนี้เขาเรียกว่าทิพยคุ ญ, ญานทิพยคุยานที่บรรดาแต่พุทธริษัทติเรืงได้ต้องแบ่งเป็นสามชั้นเพราะกำลังใจของคนไม่เท่ากันท่านที่ได้ทิพยคุ ญ, ญานอย่างอ่อนมีความรู้สึกทางใจแต่ไม่เห็นภาพให้เชื่อความรู้สึกทันที ว่าถูกต้องและจะไม่ผิดท่านที่ได้ทิพยาณอย่า ง, งกลางมีความรู้สึกทางใจพร้อมกับจิตเห็นภาพแต่ไม่ไม่ชัดเจนจ่มใสให้เชื่อความรู้สึกทุกอย่างของจิตจะไม่ผิดท่านที่ได้ทิพญาณจ่มใสละเอียดดีมากมีความรู้สึกทางจิตเห็นภาพชัดเจนจม่มใสว่าให้มีความเชื่อมั่นในตนเองว่าความรู้สึกไม่ผิดคำโมกขาทานไม่มีในการเจริญสมาธิ ก็มีคนหลายคนมาทําำนึกไปเองใช่ไหมเปลวปาทานใช่ไหมอย่างนี้คอยทําในข่องตัวเสียก่อนอย่าเพิ่งรู้ก่อนเกิดเรารู้ว่ายาพิ่งทะลุ ก, กลางกล่องมีหลายคนชอบพูดแบบนี้ในผลสุดทําได้จริงความเป็นจริงเขาไม่เป็นไปตารนั้นให้ทําไปตามครูสอนอย่ารู้ดีกว่็รู้ อารมณ์ที่ท่านจะเป็นสมาธิและจะจำใสได้สัความมิติก็ต้องไม่คบมีวอนห้าราการนี้ต้องระวังให้มากโดยมากแล้วก็สอนงั้นไม่ควรจะจำมากจะไปถามกัน เ, เรื่อยๆจำนิ้วก็ปินการไม่สมควรถ้าใครถามที่หลังก็จะไม่บอกว่าสอนแล้วอารมณ์ห้าราการต้องไม่มีในโรงเขาจิตขณะอภิภาวนาขึ้นึ่ง ความชอบใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศจะเป็นคนและสัตว์วัตถุตามเราจะไม่คิดอย่างนี้ขณะที่ภาวนาสองจะไม่มีอารมณ์ไม่พอใจให้เกิดขึ้นในเวลาที่ภาวนาจะฝึกอยู่สามจะไม่ปล่อยความง่วงเขง้ามาครอบงำ สีจะควบคุมอารมณ์ให้สงสมาธิตามลมหายใจเขาออกและภาว น, นาไว้เสมอจะไม่ยอมปล่อยให้เคลื่อนไม่ฟุง้งซ่านห้าต้องไม่สงสัยวยความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งห้ารายการนี้ถ้าไม่ค้่องกับกิจเวลาที่ภาว น, นาและพิจารณาและฝึกอยู่ทุกท่านจะได้ทิุยานวันนี้สามารถจะได้ปัญญาในวันนี้ ที่ทำไม่ได้เพราะว่าความเร็วก็อห้ามราการนี้เข้าสิงใจอย่างไรอย่างหนึ่งนิวรนนี่สัแปลว่าความเร็วที่ทําให้ปัญญาถอยหลังคือข้ามนีนิวรนเข้ามาสิงใจคนนั้นก็โง่หมดปัญญาฉะนั้นเขาบรรดาใจพุทธบริษสัทย์นหลายโดยตัวหนาที่นั่งที่นี่จงยอยากตอวให้ความโง่คอบคอบความจิตสำหรับเวลาที่ครูเข้าไปสอน ครจะให้ภาวนาอยู่เฉยๆสิบนาทีต่อเ น, นื่งก็จะมีคนเข้าไปสอนขนาดที่คนเข้าไปสอนจะตั้งเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงถ้าหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงก็จะเลิกทันทีใครได้หรือไม่ได้ไปถึงยนคนนั้นเวลาที่ครูเข้าไปนั่งข้างหน้าและนั่งกลางวงขอทุกคนเวลานั้นเลิกภาวนาทันทีและก็ไปสนใจกลุ่มไอจ่าเขาออก ฟังคําแนะนําของครูผู้สอนครูผู้สอนจะแนะนําในการแตกิเลสเพื่อให้ใด้ใ ห, ใ ห, ใ ห, ให้ความเป็นทิพย์ของจิตเกิดขึ้นท่านต้องตัดสินใจไปตามคําแนะนําของครูแจ่มฝืนถ้าครูเห็นว่ามีจิตแจ่มใสถึขนาดที่ครูสอนบรรดาเทพพุทธบริษัทหลายคนในกังที่จะสอนเรียงตัวไม่ได้ต้งองยังงูเกินไปถ้าเขาพูดกับบคุบคคลใดบุคคลหนึ่งถือว่าพูดกับเราด้วย แต่เขาถือว่าสอนเราด้วยจะไปนั่งเรียงตัวไม่ได้มีบางคนทำอย่างนั้นมันเกินมันจะมันโง่เกินไปเวลาก็ถามใครต้องถือว่าถามเราด้วยเพราะเวลาให้ตอบเราต้องตอบพร้อมกันเหมือนเด็กเด็กนักเรียนมีความฉลาดมากก็ทาตามนีเขาจึงมีการคลองตัวถ้าครูเขาเห็นว่ามีความจำใสดีพอสมควรเขาจะถามว่ามีเวลานี้มีท่านคนใดมาอยู่คนหนาบาง ต่างความรู้สึกและความรู้สึกเกิดขึ้นให้ตอบทันทีว่ามีหรือไม่มีเขาถามว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายภาพผู้หญิงผู้ชายอาจจะเห็นไม่เสมอกันเพราะเทวดากับพรมท่านมามากให้ตอบตามความรู้สึกทันทีอย่ายั่งตัวเขาถามว่าเขาถามว่าเวลานี้ตั้งแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกหลังจากนั้นเขาจะพาไปพระจุลามุนีเจดีสถาน เป็นที่ธรรมสกายพระเทวดาราพุ่มถ้าตอไปก็ไปบรรดุขปุศิลาอาจถ้าตอไปกับปณิพนัลสำหรับท่านที่ได้แล้วคอยครูซักซ้อมว่าต่อตอนนี้ไปเขบรรดาทุกท่านไหนตัดขันห้าจะพิจารณาตามที่กล่าวมาแล้วให้เข้าองตัวหรือว่ากายเกิดไม่ดีเป็นทุกข์ก็ต้องการอีก หลังจากนั้นจับผู้ผชงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอจะจีนแจ่มยต่างกำลังถ้าจิตใจไปตั้งทีนิพพานคอยครูรสอนอย่างนี้ทุกคนจะมีการข้องตัวทุกอย่างตอนนี้ไปเขาบรรดาแต่พุทธริสัตหลายเรื่องปฏิบัติได้จับภาวนาเฉยๆสิทนาทีหลังจากนั่งครูจะเข้าไปสอน นับันถึงวเวลาโชเขาไปสอนถึงหนึ่งเที่โมงให้กรรมาการกดเกลียงบอกสัญญาณบอกเลิกทันทีใครจะได้หรือไม่ได้ไปเรื่องคนนั้นต่อนนี้ไปขบรนดาทั้งพุทรัยสัจนหลายเริ่มปฏิบัติได้